หรือสะโบกครณีณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีฉับพักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉับพักคีไปดูโรงละครหลวงบ้างหอจิตรกรรมบ้างสวนสาธารณะบ้าง อุทยานบ้างสะโบคารณีบ้างในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐานและ